ให้สมชายเห็นหัวข้อข่าวและภาพถ่ายที่หน้าหนึ่งแล้วก็มีอันต้องทานข้าวไม่ลงยิงอาจารย์นักเรียนนอกดับคาเก๋งภาพสตรีวัยสี่สิบที่นอนพับคาพวงมาลัยข้างล่างมีภาพถ่ายเล็กๆ เ, เพื่อให้เห็นหน้าชัดเจนบอกชื่อนามสกุลไว้ชัดแจง้งเขาอ่านข่าวนะั้นแล้วก็ถือหนังสือพิมพ์วิ่งขึ้นไปหาท่านพระครูหลวงพ่อครับ คุณนายราศีถูกยิงใชแล้วล่ะครับพูดพร้อมกับส่งหนังสือพิมพ์รายวันฉบับประจำวมาที่สิบหกกรพัาธ์ให้ไม่ต้องหลอกสมชายฉันรู้แล้วถูกยิงตอนสองทุ่มเมื่อคือนนี้ใช่ไหมละ่ะเขาบอกฉันเมื่อคือนก่อนพี่แกว่ามาลาตายนั่นอะมันเรื่องจริงสิ่ครับหลวงพ่อผมนึกว่าแกเพี้ยนซะอีกและแกรู้ไหมครับว่าใครยิงแก เพราะในข่าวยังไม่รู้ตัวคนยิงรู้สิฉันก็รู้ทำไมแกไม่ไปแจ้งความไว้ก่อนล่ะครับและหลวงพ่อจะได้ให้ข่าวกับหนังสือพิมพ์หรือเปล่าลูกคุณช่างซักถามอย่างอยากรู้ก็คนถูกยิงแท้ๆเขายังไม่ยอมแจ้งเราให้ฉันไปวุ่นวายทำไมมันเป็นเรื่องของกรรมนะ่ะสมชายไป ลงไปทำงานต่อได้แล้วเอาหนังสือพิมพ์ลงไปด้วยฉันไม่เคยอ่านหนังสือพิมพ์ที่ต้องรับทุกวันก็เพื่อเอาไว้ให้พวกเธอและก็แขกอ่านเมื่อท่านไม่สนใจไม่ตื่นเต้นกับข่าวนั้นในสมชายก็ลงมาวิพากษ์วิจารณ์กับนายขุนทองที่กุติชั้นล่างมีอะไรตื่นเต้นหรือพี่ถึงต้องวิ่งขึ้นไปหาหลวงลุ ง, ลง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 ตายเมื่อคืนนี้ตอนสองทุ่มอ้าวมาหาหลวงลุงแล้วทำไมหนูไม่เห็นละ่ะก็เองเอาแต่นอนจะรู้นะรู้โมอะไรเขามาตอนเองหลับปุ๋ยไปแล้วนะ่ะลูกศิษย์วัดแถลงขายแล้วพี่ให้คบพบหลวงลุงหรือเปล่าละเมิดกฎอีกตามเคยละสิคนเคร่งครัดในกฎเกณฑ์ว่าถึงไม่ให้พบ เขาก็ต้องไปพบจนได้แนะนาหลวงพ่อบอกว่าเข้ามาแบบเจตพูดคนมากวัยกว่าอธิบายอีกแล้วเหรอเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็มีคนแก่คนหนึ่งมาหาแบบเดียวกันเนี่ยหลวงลุงบอกว่าเป็นเจตพูดเหมือนกันงั้นเหรอแล้วทําไมข้าไม่เห็นละ่ะนายสมชายเป็นฝ่ายถามบ้างนายขุนทองได้โอกาสแก้แค้นจึงว่า ก็พี่มัวไปจีบสาวนะสิตอนพี่กลับมาน่ะแกไปแล้วหนุสาเดินตามแกจะไปต่อว่าแกละเมิดกฎปรากฏว่าตามแกไม่ทันตอนหลังถึงได้รู้ว่าแกมาแบบเจตพูดลุงลุงเป็นคนบอกและเองว่ามันประหลาดไหมละ่ะที่วิญญาณออกจากร่างได้ทั้งๆ ท, ท, ที่ยังไม่ตายข้านึกว่าจะต้องตายเสียก่อนจึงจะออกได้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 พี่ไปแล้วใครจะเป็นคู่ทุกข่ยยากของหนูนายขุนทองพูดเสียงอ่อนเสียงหวานแต่ข้าอยากรู้โดยไม่ต้องลองนี่นาสมชายว่าถ้าอย่างนั้นหนูก็ไม่รู้จะแนะนำยังไงหรือว่าหนูควรจะแนะนำพี่ยังไงกรุณาแนะนำหนูด้วยนึกว่าเอาบุญเอนะพี่นะนี่หยุดหยุดได้แล้วขุนทองเอ็งยิ่งพูดยิ่งวกวน จนข้าจะเวียนหัวแล้วนายสมชายพูดอย่างอดรนทนไม่ได้เวียนหัวหรอเดี๋ยวรอเดี๋ยวหนูจะไปละลายยาลมมาให้ยังไม่ทันที่นายสมชายจะออกปากห้ามนายขุนทองก็หายเข้าไปในห้องครู่หนึ่งก็ถือถ้วยยาลมออกมาส่งให้ลูกศิษย์วัดอา้าวดื่มซัดจะได้หายเวียนหัวนายสมชายไม่รับถ้วยยา หากใช้มือทั้งสองกุมกำะมับพูดว่าขุนทองข้าขอร้องเถอะนะเอ็งอย่ามายั่วข้าเลยไปไปเก็บสำรับล้างและกวาดกุฏิให้เรียบร้อยส่วนข้าจะไปล้างรถพรุ่งนี้หลวงพ่อจะไปจันทบุรีแต่เช้าให้หนูไปได้วยคนได้ไหมไดินูจะขึ้นไปขออนุญาตหลวงลงุงนายขุนทองว่าเพราะอยากจะไปเปิดหูเปิดตากับเขาบ้าง คงไม่ได้มั้งเองต้องอยู่ดูแลเรื่องงานศพพรุ่งนี้จะมีคนเอาศพมาสวดอภิธรรมตอนทุ่มเขาหมายถึงศพเจนวนศรีศพใครแล้วทำไมพี่ถึงรู้ละ่ะก็เมื่อวันก่อนข้าไปเยี่ยมเขาเขาบอกพรุ่งนี้ตีสี่สิบห้านาทีเขาจะตายตอนเย็นจะให้ลูกหลานเอาศพมาไว้ที่นี่ใครนอกรู้จักไหมป้านวนศรี ที่ขายอาหารอยู่ที่ตัวจังหวัดนะ่ะดูเหมือนจะชื่อร้านเนยโพชนาข้าก็ไม่รู้หรอกว่าเองรู้จักเขาหรือเปล่าอ๋อเหรอเอหนูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าหนูรู้จักเขาหรือเปล่านายขุนทองล้อเลียนนี่พอทีพอทีข้าถามอะไรสักอย่างเถอนะขุนทองพี่จะถามอะไรก็ถามมาเลยข้าอยากถามว่าเองเคยไหมที่อยู่ดีๆ ก่อฟันร่วงสองซี่นะ่ะเคยไหมอุ๊ยถามหวาดเสียวไม่เคยหรอกฮะเคยแต่ทำให้ฟันคนอื่นร่วงหนะพี่จะลองไหมลองไหมนายสมชายไม่ตอบหากเดินไปที่โรงรถเพื่อทำหน้าที่เขืนคุยกับเจ้าหนุม่มที่ชื่อขุนทองนานกว่านี้อาจจะยั้งโทรศัไม่ไหวก็มันกวนโทรศัพท์เชลเกินเกิดมาไม่เคยพบไม่เคยเห็น วันที่สิบเจ็ดกุมภาพันธ์สองพัน้าิเจท่านพระครูออกจากวัดป่ามะม่วงตั้งแต่ตีสี่ 4, เข้ามาในรถแล้วก็นั่งหลับตาทันทีนายสมชายรู้สึกเหงาปากเพราะไม่มีคนคุยด้วยเขาขับรถอย่างตั้งใจหากขับไปชั่วโมงเสร็ศษก็รู้สึกง่วงเพราะเมื่อคืนกลับมาจากบ้านเหนือดึกไปหน่อยชายหนุ่มชะลอความเร็วลง ใช้ฟันขบริมฟิปากล่างจนรู้สึกเจ็บหากก็ยังไม่หายง่วงรถกำลังวิ่งอยู่บนถนนสายเอเชียใกล้ปากทางจะแยกเข้าถนนพหลโยธินคิดจะขออนุญาตจอดรถยีบสักประเดี๋ยวก็พอดีกับท่านพระครูพูดขึ้นว่าเข้าพหลโยธินแล้วจอดข้างทางอนุญาตให้หลับได้สิบนาทีชายหนุ่มปฏิบัติตามอย่างแสนจะยินดี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 เข้าพหนโยทินแล้วในสมชายก็แอ บ, บรถไว้ข้างทางเปิดไฟฉุกเฉินเอาไว้แล้วเอ็นกายพิงพนักเก้าอี้หลับปุ๋ยไปในทันทีเขาไม่ห่วงว่าจะหลับเกินเวลาที่กำหนดเพราะเมื่อถึงเวลาท่านพระครูก็จะปลุกเองโดยที่ท่านไม่ต้องดูนาฬิกาท่านเคยพูดให้ฟังบ่อยๆว่าผู้ที่ฝึกสติไว้ดีแล้วก็สามารถใช้สติแทนนาฬิกาปลุกได้ รถวิ่งเข้าเขตอำเภอเมืองจังหวัดจันทบรุรีเมื่อเวลาเก้านาฬิกาสี่สิบนาทีหากไม่เสียเวลาจอดข้างทางก็จะมาถึง9ก้าโมงพอดิบพอดีตามที่ท่านรักครูกำหนดไว้สมชายเดี๋ยวแวะที่ร้านอาหารข้างทางนั่นหิวหรือยังถามอย่างอาทร น, นิดหน่อยครับเดี๋ยวนิมนต์หลวงพ่อฉันกาแฟสักถ้วย คงทันนะครับคงทันนะครับท่านแน่นอนอีกสักห้านาทีก็ถึงแล้วต้องไปถึงให้ตรงเวลาเร็วไปช้าไปเจ้าภาพก็จะอึดอัดเป็นกังวลท่านส่อลูกศิษย์วัดไปในตัวนายสมชายจอดรถหน้าร้านข้าวมันไก่ซึ่งมีรถยนต์จอดอยู่หลายคันแล้วจึงลงมาเปิดประตูให้จเจ้าอาวาสวัดป่ามาม่วง จากนั้นจึงเดินตามท่านเข้าไปในร้านซึ่งมีโต๊ะว่างอยู่เพียงโต๊ะเดียวเท่าแก่เจ้าของร้านกุลีกุจอมาต้อนรับนิมนต์ครับเขาพูดไทยชัดเจนแม้สำเนียงจะออกทางคนจันนายสมชายต้องแยกไปนั่งอีกโต๊ะหนึ่งซึ่งมีลูกค้านั่งรับประทานอยู่เพราะจะนั่งร่วมโต๊ะกับท่านพระครูไม่ได้เท่าแก่ขอกาแฟถวายหลวงพ่อ ส่วนผมขอเข้ามันไก่เขาเดินมาบอกเท่าแก่แล้วก็กลับไปนั่งที่เดิมเจ้าของร้านเรียกลูกจ้างมาสั่งอีกทีหนึง่งตัวเขายือนอย่างสำรวมอยู่ตรงหน้าท่านพระครูหลวงพ่อมาจากไหนหรือครับเขาถามอัตมามาจากวัดป่ามะม่วงจังหวัดสิงห์บุรีเท่าแกรู้จักวัดนี้หรือเปล่าเคยได้ยินไหมไม่รู้จักครับ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 ท่านตอบตามจริงแล้วครับแหมผมนึกว่าจะได้เลขสักตัวสองตัวเจ้าของร้านรู้สึกผิดหวังที่จริงเขารวยอยู่แล้วหากก็อยากรวยขึ้นไปอีกวิสัยของผู้ตุชนนั้นคำว่าพอย่อมไม่มีขยันทำมาหากินก็รวยเองนั่นแหละก็มีรายได้ทุกวันไม่ใช่หรือครับแต่มันน้อย อยากได้ทีละมากๆนะครับหลวงพ่อคนมีนิสัยงกมาแตก่กำเนิดว่ามากมันก็มาจากน้อยนะโยมนะโบราณเขาสอนว่าอย่านอนตื่นสายอย่านายหากินอย่ามินเงินน้อยอย่านอนคอยวาสนาอาตมาว่าเขามีเหตุผลนะโบราณนนะ่ะพอดีกับลูกจ้างนำกาแฟมาให้ เจ้าของร้านจึงรับมาประเคนด้วยตนเองเสร็จแล้วก็ขอตัวไปดูแลลูกค้าเต้าอื่นๆเพราะคิดว่ายังไงเสียก็คงไม่ได้เลขแน่ในความรู้สึกของเขาหลวงพ่อองค์นี้ไม่น่าศรัทธาพระที่ดูหมอดูไม่เป็นให้หวยไม่ได้ใครจะไปศรัทธาเลื่อมใสเจ้าของร้านคิด ออกจากร้านอาหารนายสมชายก็ขับรถตามแผนผังที่คุณนายโสพิษส่งมาทางท่านพระครูและก็ไปถึงบ้านงานตรงเวลาคุณนายโสพิษออกมาต้อนรับถึงรถนิมนล์ค้าหลวงพ่อกำลังกลัวว่าสมชายจะพาหลวงพ่อหลงทางอยู่เชียวที่ไหนได้มาก่อนองค์อื่นๆเะอีกคุณนายพูดอย่างยินดี นิมนต์ท่านเข้าไปนั่งอย่างอัสนะที่จัดเตรียมไว้สําหรับพระสงฆ์เก้ารูปท่านพระครูเลือกนั่งลําดับที่สองเพระาะทราบว่ามีท่านเจ้าคุณรูปหนึ่งได้รับนิมนต์มางานเดียวกันเห็นหนอมีประโยชน์อย่างนี้ท่านสังเกตการจัดอัสนะสงฆ์ที่เจ้าภาพจัดไว้เห็นว่าไม่ถูกต้องตามประเพณีนิยมพระพุทธรูปควรเอาไว้ทางขวามือของพระสงฆ์ ก็ไปอยู่ทางซ้ายมือคลัดมองไปทางขวาก็เห็นว่าเป็นห้องน้ําจึงเข้าใจเหตุผลและความจําเป็นที่จะภาพต้องจัดพระพุทธรูปไว้ทางซ้ายมือประเดี๋ยวหนึ่งท่านเจ้คุณกับพระสงฆ์อีกเจ็รูปก็มาถึงสงฆ์เจ็รูปนั่งต่อจากท่านส่วนท่านเจ้คุณนั่งอัศนะที่ติดกับพระพุทธรูปซึ่งเป็นหัวแถวท่านพระครูทําความเคารพท่านเจ้คุณด้วยการกราบสามครั้ง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 คนที่เขาไม่รู้ธรรมเนียมก็ไม่ว่าอะไรแต่คนที่รู้เขาจะตำหนิเอาท่านว่าอีกเจ้าค่ะคุณนายเจ้าของบ้านรับผิดอีกอะไรเป็นถึงคุณนายในอาเภอทำไมไม่รู้จักขนบธรรมเนียมใิ่บ้างเลยคราวนี้คุณนายหน้าสลดลงนิดหนึ่งอธิบายช้าๆหากชัดถ้อยชัดคำว่าท่านเจ้าคุณเจ้าค่ะ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 ไหนจะรูปที่ติดกับท่านนี่อีกละ่ะมาจากวัดไหนก็ไม่รู้แต่ดูท่าทางจะเป็นพระภูทรใช่มากกว่าเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงนั่งนิ่งดูเหตุการณ์อยู่และท่านก็ได้บทเรียนอีกบทโดยที่ไม่ต้องไปโรงเรียนบทเรียนนั้นสอนท่านว่าไปที่ไหนอย่าเอาปากไปก่อนให้ถือคติว่าตาดูหูฟังปากนิ่ง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 เพราะเผือคุณนายโสพิธจะต้องถูกเอ็ดอีกว่าไปนิมนต์พระบ้าบ้าบบจากที่ไหนมาก็ไม่รู้ดังนั้นจึงฉันไปสองสามคำพอเป็นพิธีรั้นพระสงฆ์ฉันพัทหารเป็นที่เรียบร้อยคุณนายโสพิธจึงถวายจตุปัจจัยทยธรรมแด่พระสงฆ์ทั้งก้ารูปเมื่อพระสงฆ์ยับถาสับพีเธอจึงกรวดน้าอุทิศส่วนกุศลไปให้ในอเภอสิทธิศักด สามีผู้ล่วงรับท่านพระครูเคยสอนไว้ว่ายัตถาให้ผีสับผีให้คนดังนั้นเมื่อพระขึ้นว่ายัตถาวาริวหาเธอจึงเริ่มรินน้ำลงในภาชนะกระทั่งท่านว่าถึงมณิโชติรโะโสยัตถาแล้วประนมมือรับพรเมื่อท่านขึ้นสับผีตีโยวิวัตชันตุ เมื่อพิธีทำบุญอายุครบห้ารอบของคุณนายโสพิษเสร็จสิ้นลงท่านจะคุณและพระลูกวัดอีกเจ็ดรูปจึงลากลับคุณนายโสพิษไปส่งท่านถึงรถคุณนายพระที่นั่งติดกับอาตมาเป็นใครกันท่านจะคุณถามรู้สึกไม่ถูกชะตากับพระภูทรรูปนั้นคงเป็นพระภูทรแน่ๆท่าทางเฉยๆออกอย่างนั้น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 ส่วนท่านเจ้าคุนนั้นเคยนับถือกันในสมัยที่คุณสิทธิศักยังมีชีวิตอยู่ก็ไม่เลื่อมใสในจริยวดัดของท่านสักเท่าไหร่ขนาดลูกศิษย์ใกล้ชิดของท่านยังม่แอบนินทาให้คุณนายฟังถึงสรรพคุณของเจ้าคุณรูปนี้ว่าเช้าเอนเพนนอนเย็นพักผ่อนข้ามจำวัดดึกซัดมามา่าตีห้าคิดดอกเบี้ย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 เยบให้แน่นๆเพราะถ้าเรื่องนี้รู้ถึงหูท่านเจคุณเมื่อไรผมต้องตายเมื่อนั้นตายอย่างขีดเชียวนะครับเขาอารังพบทยืดยาวก่อนเล่าว่าคุณนายทราบไหมครับที่ท่านจาคุณท่านคุยว่าสามารถเข้านิโรธสมาบัติได้ถึงเจ็ดวันนั่นะความจริงเป็นอย่างไรเขายกมือท่วมศรีรษะพร้อมกล่าวสาบาน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 ตัวเข้าต้นนั้นที่รู้ว่าท่านตุนอาหารการกินไว้เต็มตู้เย็นแล้วก็สั่งให้เขาทําขึ้นมาถวายกินกินนอนๆอยู่ในกุฏิครบเวลากําหนดแล้วก็ให้เขาประกาศแก่ลูกศิษย์ลูกหาว่าท่านออกจากนิโรธสมาบัติแล้วใครอยากได้บุญให้รีบเอาอาหารตลอดจนข้าวของเงินทองมาถวายเพราะการถวายของกับพระที่เพิ่งออกจากนิโรธสมาบัตินั้น มีอานิสงแรงกล้าบรรดาผู้งกบุญแต่ไร้ปัญญาทั้งหลายก็พากันมาถวายของและกล่าวเชื่นชมว่าผิวพัน์ท่านชจาคุณผ่องใสเพราะอำนาจสมาธิมีเขาคนเดียวเท่านั้นที่รู้ว่าท่านผ่องใสเพราะกินกินนอนๆ อ, อยู่ในกุฏิถึงเจ็ดคืนเจ็ดวันไม่รู้ว่าท่านจะหลอกลวงชาวบ้านไปทำไมจะไม่กลัวบาปกลัวกรรมใช่บ้างเลย ท่านจะคุณและพระลูกวัดกลับกรุงเทพแล้วคุณนายโสพิธจึงกลับมาคุยกับท่านพระครูเพื่อรายงานผลการปฏิบัติธรรมให้ท่านทราบคุณนายเคยมาเข้ากรรมฐานวัดป่ามะม่วงหลายครั้งและนำมาปฏิบัติที่บ้านทุกวันมีปัญหาอะไรก็ไปเรียนถามท่านพระครูเพราะตอนนั้นสามีของคุณนายเป็นนายอำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรีการไปมาจึงไม่ลาบาก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 กิ่งทับทีมเกือบแทงตานะคะ่ค่ะพวกคนใช้เขาเห็นข้าวก็เลยพากันคิดว่าดิฉันได้คุณวิเศษสามารถเหาะเหินเดินอากาศได้แหม่ลอยออกไปตกดังตุบยังหาว่าเหาะได้คุณนายเล่ายังนึกขำตัวเองไม่หายก่อนจะลอยคุณนายรู้สึกอย่างไรรู้สึกตัวมันเบาคะ่ะดิฉันก็กำหนดเบาหนอ พอกำหนดได้อย่างนั้นตัวมันก็ลอยขึ้นไม่ทราบลอยได้อย่างไงน้ําหนักร่วมแปดสิบเธอพูดอย่างกังขาแล้วคุณนายกำหนดว่ายังไงตอนตัวลอยนะ่ะดิฉันกำหนดลอยหนอลอยหนอคะ่ะแล้วกันกำหนดอย่างนั้นจะไปได้เรื่องอะไรก็ให้ลอยมันก็ลอยนะสิดีนะที่ไม่ลอยไปถึงวัดป่ามะม่วงโนน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 ปิติที่ทำให้ตัวเบาลอยขึ้นได้เขาเรียกว่าอุปเพงคาปิติการเกิดปิติขึ้นเองพระองค์ขณะที่ปฏิบัติไม่สมดุลกันกล่าวคือสติวิริยะและก็สมาธิมันไม่เสมอกันสมาธิมันเกินสติและวิริยะจึงทำให้ออกนอกลู่นอกทางฉะนั้นคุณนายต้องเพิ่มสติให้มากขึ้นอีก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 คือเอาสติไปรู้ว่าตัวกําลังลอยถ้ากําหนดอย่างนี้แล้วมันยังลอยคุณนายก็ต้องกําหนดว่าหยุดหนอหยุดหนอเข้าใจหรือยังอย่าไปกําหนดลอยหนอลอยเนอไปตกน้าตกท่าเดี๋ยวจะหาว่าอาตมาสอนไม่ดีแม้ดิฉันนึกว่าตัวเองได้ชาญสูงถึงกับเหาะเหินเดินอากาศได้สิเอ็ดถ้าเป็นเช่นนั้นดิฉันจะได้ขายรถเลิกใช้รถไปเลย คุณนายโสภิตพูดติดตลกบรรดาญาติิที่นั่งฟังการสนทนาระหว่างคุณนายวัยหกสิบกับรพระภิกษุห้าสิบอยู่นั้นไม่มีสักคนที่เข้าใจด้วยไม่เคยได้ยินได้ฟังเรื่องเช่นนี้มาก่อนเลยในชีวิต